ต้องอาบัติปราชิกบรรลุมรรคผลได้หรือไม <_ inventory> ่การบวชเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คืออกรณียกิจสี่เสพเมถุนลักของเขาฆ่ามนุษย์ให้ตายพูดอวดอุตริมนุษธรรมที่ไม่มีในตนอันนี้ถ้าพลาดเข้าแล้วขาดจากความเป็นพระภิกษุหมายถึงต้องอาบัติปราชิก ในเมื่อขาดจากความเป็นพระภิกษุเพราะวินัยสี่ข้อนี้ในชั่วชีวิตนี้เราจะอุปสมบทหรือจะอยู่เป็นพระต่อไปอีกไม่ได้ก็ต้องลาเพศไปเป็นคฤหัตในเมื่อลาเพศไปเป็นคฤหัตไปสมาทานศีลห้าไหว้พระสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาถ้าผู้มีบารมีสามารถสำเร็จได้ถึงพระอนาคามีแต่ถ้าหากยังเป็นพระอยู่นี่ปิดทางมรรคผลนิพพาน ถ้าสละเพศบรรพชิตแล้วไปเป็นคาฤหัสหรือบวชเป็นดาบทบวชเป็นสัมมเนนก็สามารถปฏิบัติให้เกิดคุณธรรมขึ้นมาได้